จากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพระเทศวิสุทธิเมธีหลวงพ่อปัญญานันทพิคุแห่งวัดโชลประธานรังสิตปากเกร็ดนนทบุรีขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัดนี้ค่ะทตบริสัตว์ตงหลาย ใาบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาธกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านหาที่นั่งปักให้สบายนั่งตรงไหนได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนเป็นใช่ได้และจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์ อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันที่เราทั้งหลายถือว่าเป็นวันพระคือเป็นวันประเสริฐสำหรับชีวิตในสมัยก่อนนี้เราถือวันพระตามทางจันทรคติคือนับจากการเดินของดวงจันทร์ขึ้นแรม ขึ้นแปดคำ่คำสิบห้าค่ำแรมแปดวันดับถือว่าเป็นวันพระแต่ในสมัยนี้เราถือการนับวันตามสุริยะกติคือนับตามการโคจรของดวงอาทิตย์การนับตามโคจรของดวงอาทิตย์นั้นนับเป็นวันที่หนึ่งสองสามสี่ยไป แล้วก็วันอาทิตย์นี่เป็นวันที่ครบเจ็ดวันวันจันทร์เป็นเลขหนึ่งวันอาทิตย์เป็นเลขเจ็ดหรือเอาเลขหนึ่งวันอาทิตย์ก็ได้เราจึงถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานเป็นแบบสากลทั่วไปไม่ใช่เป็นของาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งแต่ชาวโลกถือกันไปอย่างนั้นเมืงไทยเราก็ได้เปลี่ยนระบบการทําราชการ จากการหยุดในวันพระแบบสมัยก่อนมาหยุดในวันอาทิตย์เพื่อสะดวกแก่การติดต่อกับสังคมภายนอกเพราะเราไม่ได้อยู่ชาติเดียวประเทศเดียวในลูกนี้แต่เราอยู่กับคนอื่นหลายชาติหลายภาษาทําอะไรให้มันตรงกันก็เป็นการสะดวกเลยราชการเจ้าก็ได้เปลี่ยนมาหยุดงานในวันอาทิตย์ ทางร้านต่างๆก็หยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์จึงเป็นวันว่างจากงานการทางไหวยูกเราก็ควรถือว่าเป็นวันที่เราควรจะก้าวหาพระเป็นวันที่เรามาวัดมาศึกษาธรรมะกันจะได้ประโยชน์แก่ชีวิตต่อไปเพราะว่าเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชีวิต เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้ในชีวิตของเราทุกวันทุกเวลาถ้าเราไม่ได้นำธรรมะมาใช้เป็นหลักคุ้มครองชีวิตเราก็จะกลายเป็นคนที่มีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจและเมื่อมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร เพราะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องทุกข์เป็นเรื่องแก้ได้แก้ได้โดยวิธีใดเราก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทำความเข้าใจไว้พอเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ลำบากและโดยปกติในชีวิตของเราที่ยังไม่หลุดพ้นจากปัญหา มันก <G ã i> ็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งครังคราวๆวคิดเมื่อใดเราเผลอเราประมาทก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเมื่อใดไม่เผลอไม่ประมาทก็จะไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจความทุกข์ความเดือดร้อนใจทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดเพราะเราประมาท ความประมาทก็คือการไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจคือขาดสติขาดปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเราจึงเกิดปัญหาเือความทุกข์ความเดือดร้อนและเมื่อไม่รู้จักแก้มันก็มากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าเป็นดินพ่อขางหมูมันก็หนักขึ้นทุกวันทุกเวลาแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะได้รู้ได้เข้าใจ ในหลักธรรมะถูกต้องเราก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของเราอะไรตั้งอยู่ในใจของเราและเมื่อสิ่งนั้นตั้งอยู่สภาพจิตใจเป็นอย่างไรมันร้อนหรือเย็นสุขหรือทุกข์มืดหรือสว่างวุ่นวายหรือว่าสงบเราก็พอจะรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นแล้วจะได้จัดการแก้ไขสิ่งนั้นทันท่วงที สิ่งนั่นก็จะไม่มีอำนาจครอบงำจิตใจเราได้เราก็มีชีวิตสงบเปรียบร้อยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นจึงต้องแสวงหาสิ่งสำหรับเป็นเครื่องช่วยใล้ๆกับคนที่เรือแตกตกอยู่ในทะเลแต่หากว่าเราว่ายน้าในทะเลใหญ่ถ้ามีอะไรเป็นที่ก่อที่จับสักเล็กน้อยเราก็อุ่นใจ ได้กระดานสักแผ่นหนึ่งก็อุ่นใจได้ไม้ท่อนสักท่อนหนึ่งก็พออุ่นใจหรือได้อะไรเป็นเครื่องช่วยชีวิตเราก็อุ่นใจแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำจนกว่าจะถึงฝั่งอันเป็นเรื่องที่ปลอดภัยในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อเราเกิดมามีอยู่ในชีวิตอยู่ในลูกก็เหมือนกับลอยอยู่ในทะเลใหญ่ ที่เรียกว่าโอคะสงสารหรือสังสารวัตรสังสารวัตก็คือการเวียนว่ายอยู่ในวัตะสงสารวัตฏแปลว่าวนเวียนอยู่ในนั้นตลอดเวลาเมื่อเราวนเวียนอยู่ในสงสารอย่างนี้ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องช่วยชีวิตเราก็ไม่ปลอดภัยเราจึงต้องแสวงหาทุนหรือแพ่ หรืออะไรเป็นเครื่องเกาะสำหรับให้ใจของเราสบายบ้างสิ่งที่เป็นเครื่องเกาะของเรานั้นในทางธรรมะเราเรียกว่าสารณะสารณะสารณะแปลว่าที่พึ่งหรือเป็นหลักของใจเป็นที่พึ่งทางใจทาใจให้เกิดความอบอุ่นไม่เดือดร้อนใจมากเกินไปเราผู้นับถือพระพุทธศาสนา ยังถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังคําที่เราสวดว่าพุทธังสระนังคัจจามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะทำมังสระนังคัจจามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะสร้างังสระนังคัจจามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องปลอบใจ เป็นเครื่องประโลมใจเป็นอาหารใจเป็นแสงสว่างของใจหรือจะเรียกว่าเป็นยาแก่โรคทางใจก็ได้ผู้ที่มีพระพุทธระธรรมประสงค์เป็นหลักใจยอดมีความอบอุ่นทางด้านจิตใจไม่ว่าเวไม่เดือดร้อนใจในคมพีสูตรหนึ่งท่านอธเรียกว่าตาชักกสูตร พระผู้มีประภาคกัดเปรียบเทียบเบื้องต้นว่าเวลาพวกเทวดารบกับพวกอาศูนเวลาไปรบกับอาศูนย์นี่พวกทหารก็มีความหวาดกลัวในการที่จะออกรบทับจับศึกพระพุทธเจ้าก็เทวดาที่เป็นหัวหน้าคือพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าในการออกรบ แต่หากว่าท่านมีความบาดกลัวต่อข้าศึกเกิดขึ้นในใจก็ให้ดูตงของพระอินทให้ดูตงของปชาปฏิสระซึ่งเป็นแม่ทัพให้ดูตรงของวรุณนัตสะให้ดูดูตงของอีสานัตอีสานะแมทัพทั้งสี่พระอินเป็นจอมทัพแต่ดูตงเหล่านั้นแล้วก็จะสบายใจอุ่นใจ ในการที่จะไปรบเพราะแต่นั้นทหารของเราจึงต้องมีธงประจํากองทัพเขาเรียกว่าธงใจเฉลิมพล <th> เวลาออกรบนี่เอาธงใจเฉลิมพลไปไปด้วยเอาไปตือเดินนําไปข้างหน้าให้ทหารได้เห็นธงเหล่านั้นมาเห็นธงเหล่านั้นก็เรียกว่าชื่นใจอุ่นใจ เพราะเป็นตรงสำคัญของกองทัพพระพุทธเจ้าบอกกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอไปอยู่ในป่าอยู่ในเรือนว่างอยู่ใต้ต้นไม้หรืออยู่ที่ใดก็ตามความหวาดเสียวดางด้านจิตใจอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่หมดกิเลสยังมีความยึดถือในตัวตนอยู่ก็ย่อมจะมีความกลัวเกิดขึ้น ในที่เช่นนั้นเมื่อใดมีความกลัวเกิดขึ้นให้เธอนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อนึกว่าอิติปิโสปะกวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธดังที่เราสวดแปลกันอยู่นั่นแหละหรือว่าถ้าไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ให้นึกถึงพระธรรมวสาค้าโตปะกวต า, าธรรมโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคแก้าวขัดว่าดีแล้วทาไม่นึกถึงพระธรรมก็ให้นึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคแก้าด้วยการนึกว่าสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคแก้วเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัตบิตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิอปปะเพื่อออกจากทุก เมื่อเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ความบาดกลัวทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจนั่นก็จะหายไปไม่ทำให้เรากลัวต่อไปอันนี้เป็นเครื่องทำใจให้อุ่นให้สบายคนเราเวลาเดินทางเปลี่ยวในป่าใหญ่หรือป่าเล็กก็ตามหรือว่าเราเวลากลัคืนมันมืดไม่มีแสงสว่าง เราอยู่คนเดียวจิตก็ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นก็อาจจะคิดนึกไปว่าจะมีอันตรายแล้วก็มีความกลัวหนูมันวิ่งบนเพดานเสียงดังกรอกแกรกก็กลัวอะไรมีเสียงก็กลัวทั้งนั้นความกลัวนั้นเกิดขึ้นในใจทำไมเราจึงกลัวเพราะเราไปนึกถึงสิ่งที่ให้เรากลัว แต่นี่ท่านให้เปลี่ยนแนวคิดじゃเกย์ อ, อย่าไปนึกถึงสิ่งที่ทําให้กลัวแต่ให้ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเราภาวนาว่าพุทธโธพุทธโธก็ได้หรือภาวนาอิติปิโสปัจจวารัางสัมมาสัมพุทธโธปัจจวารอะไรที่เราสวดสวดแปรไปเลยก็ได้นั่งสวดมนต์ไปตลอดเวลาความกลัวนั่นก็จะหายไปจากใจของเรา ่ทําไมมันจางหายไปเพราเราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เรากลัวคนเราเวลากลัวอะไรก็เพราะเราคิดถึงสิ่งนั้นเรากลัวผีก็เพราะเรานึกถึงผีเรากลัวสัตว์ได้ก็นึกถึงสัตว์ได้เรากลัวผู้ที่ปยาบาดนาคาดจองเวรถ้าเราไปทําเวรทํากรรมไหวกับใครใค แล้วเราก็นึกว่าคนนั้นมันจะย่องมาทำร้ายเรามายิงเรามาท่าเราเราก็เกิดความกลัวสะดุ้งหวาดเสียวขึ้นในจิตใจในเวลาเช่นนั้นเราจึงควรจะเปลี่ยนความคิดหันมานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าภาวนาคนโบราณก็จึงให้คาถาสำหรับภาวนากันนั่นกันนี่ ก็ไม่ใช่เรื่องอาสลักสำคัญอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องการเตียนอารมณ์เปลี่ยนความคิดทางกิตใจให้เราหายกลัวนั่นเองเป็นการดับความกลัวชั่วคราวยังไม่เป็นการดับอย่างถาวรความกลัวจะสิ้นไปจากใจเราอย่างแท้จริงนั้นก็เมื่อเราเกิดมีปัญญามีปัญญารู้ว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัว ไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมันเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งเกิดขึ้นจากเครื่องปรุงเครื่องแตง่งไหลไปตามอำ น, นาจของการปรุงแตง่งแล้วมันก็ดับไปเกิดอีกดับดับอีกเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ดบอยู่ตลอดเวลาไม่มีส่วนใดที่จะเป็นอันตรายแก่เราหรือจะมาทำร้ายเรานั้นไม่มี แต่เรานึกอย่างนั้นเรียกว่าคิดด้วยปัญญาเมื่อเมื่อคิดด้วยปัญญาก็ค่อยเห็นแจ้งแทงตะลุกในสิ่งนั้นความกลัวนั้นก็หายไปพระพุทธเจ้าก็ดีพระอระหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีไม่มีความกลัวแล้วเพราะท่านไม่มีตัวจะให้กลัวอยู่ในป่าก็เหมือนกับอยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนเหมือนกัน เมื่อรือสว่างก็เหมือนกันเพราะไม่มีความคิดในเรื่องความกลัวอะไรในใจของท่านแต่ว่าคนธรรมดาเรายังไม่บรรลุอุณธรรมจันนั้นยังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่แล้วก็ยังยึดติดในสิ่งที่เขาสมมติว่ามีสิ่งนั้นว่ามีสิ่งนี้เราก็ยังมีความกลัวอยู่เช่นว่าในบ้านบ้านหนึ่ง เขาบอกว่าเป็นบ้านผีดุความจริงไม่ได้มีผีดุอะไรหรอกบ้านนั้นมันเป็นบ้านตึกใหญ่ๆแล้วข้างบนมีเพดานเพดานบนเพดานนั้นมีหนูหรือมีสัตว์บางอย่างอาศัยอยู่พ่อกลางคืนมันก็เคลื่อนไหวเถียงดังอย่างนั้นอย่างนี้คนที่ไปนอนก็ได้ยินไอ้ความอารมณ์กลัวผีมันมีอยู่ในใจแล้ว พอได้ยินเสียงอะไรก็สะดุ้งคนลุกขนปองแล้วก็นกว่าผีดูความจริงไม่มีผีอะไรสัตว์บนเพดานมันมันเลื้อยคลานมันเคลื่อนไหวก็เกิดเสียงขึ้นแล้วเรานึกว่าเป็นผีถ้าเราเข้าใจความจริงว่านั่นเป็นเสียงหนูหรืออาจจะเป็นเสียงนกหรือเป็นเสียงข้างเทาวที่อาศัยอยู่เป็นเพดานมันเคลื่อนไหวก็ได้เราก็ไม่กลัว ถ้าเราเข้าใจว่าเราเข้าใ จ, า เ, รา เ, าใจเราก็ไม่เกิดความกลัวเราก็นอนหลับสบายไม่มีปัญหาอะไรคนเราที่กลัวนะเราะนึกถึงสิ่งนั้นอย่าเรากลัวผีก็นึกถึงผีสร้างภาพขึ้นในใจว่าผีรูปร่างอย่างนั้นจะมาหลอกเรารูปร่างที่เราสมมติก็มักจะเป็นโครงกระดูกเพราเราเคยเห็นโครงกระดูก ความจริงโครงกระดูกไม่ใช่ผีผีไม่ใช่โครงกระดูกอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นในใจของเราสำหรับหลอกตัวเราเองให้กลัวให้ตกใจแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นสิ่งนั้นก็ไม่มีค ว, มวความกลัวก็ไม่เกิดขึ้นจากความรู้สึกอย่างนั้นก็สบายใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์มีความวาดเสียวในเรื่องอะไร ก็ควรจะใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องนั้นให้ถูกต้องให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันมันคืออะไรมันมีจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงสัก์แต่ว่าเป็นสิ่งสมมติสร้างขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายแก่เราไม่มีพิษมีภัยแก่เราเราก็ไม่ต้องกลัวเราทำใจให้สบาย แล้เราก็หลับนอนได้โดยไม่ต้องสะดุ้งหวาดเสียวหลับได้อย่างสนิทใจอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเรานี่ต้องอยู่อย่างชนิดที่เรียกว่ามีที่พึ่งมีหลักใจศาสนาจึงเป็นที่พึ่งที่เป็นหลักของใจทุกศาสนาก็มีสิ่งให้คนเอามาเป็นหลักใจเรียกว่าชรณะด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าศาสนาไหนแต่พุทธศาสนาเรานั้นก็ถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจญย่างสำคัญเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราทั้งหลายอันนี้เราจะพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพระสงฆ์ให้ถูกต้องก็ต้องหมายความว่าเข้าใจคุณคุณค่าของสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าที่เราหมายถึงนั้น หมายถึงคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็เหมือนกันหมายถึงคุณค่าของพระธรรมพระสงฆ์ก็หมายถึงคุณค่าของพระสงฆ์หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าหมายถึงคุณงามความดีที่มีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในองค์ธรรมในองค์พระสงฆ์เราก็เอาความดีนั่นแหละมาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจมาคิดมานึก หรือเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้เราไม่ต้องกลัวต่อสิ่งนั้นอันี้คนเรามันยังต้องการสิ่งประเลาประโลมใจหรือปลอบกิตปลอบใจเขาจึงสร้างวัตถุอะไรขึ้นแทนเจนสร้างพระพุทธรูปองค์น้อยๆให้เรามาไหว้กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็มีความเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยเราได้ ความเชื่ออย่างนั้นความจริงก็ยังไม่ถูกต้องทีเดียวถ้าให้ถูกต้องก็ต้องนึกว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราคิดถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอาพระธรรมนั่นมาเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจทำให้ใจเรามีปัญญามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องร่านั้นถูกต้องขึ้นมา แล้วเราก็ไม่มีความหวาดกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นอันนั้นจึงจะเป็นการถูกต้องแต่ถ้าเรานึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวนั้นจะคุ้มครองเราจะรักษาเราให้ปลอดภัยความคิดเช่นนั้นยังไม่ถูกต้อง <c oughs> ความคิดเช่นนั้นยังไม่ถูกต้อง ยังไม่ตรงต่อความเป็นจริงใ ห, ให้คิดแต่เพียงว่าสิ่งนี้เป็นภาพล่อใจจูงใจให้เราได้คิดถึงเนื้อแท้ของสิ่งนั้นเท่านั้นเองเหมือนกับว่าเรามีรูปถ่ายของคนที่เราเคารพนับถือเช่นรูปคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยา่าคุณยายหรือรูปใครใครก็ตามที่เราเคารพ บ, บูชา ในคุณงามความดีของท่านเราก็เอารูปนั้นมาไหว้ที่บ้านที่เรือนเราเราก็ไปเห็นรูปนั้นไม่เห็นรูปนั้นเราจะต้องมองให้ทะลุรูปนั้นเข้าไปไม่มองเพียงแต่รูปเฉยๆเพราะรูปเฉยๆนั่นก็คือกระดาษกับสีเต่านั่นเองแต่ว่าเรามองทะลุรูปนั้นเข้าไป แต่รูไปถึงคุณทาความงามความดีของท่านปู น, นั้นโดยเรานึกว่าคนคนนี้เป็นคนดีอย่างไรมีธรรมะเป็นหลักใจอย่างไรมีความประพฤติดีประพฤติชอบอย่างไรเรามองให้เห็นและมาเห็นคุณงามความดีนั่นแล้วเราก็น้อมเอาความงามความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเรา ทำใจเราให้มีความงามความดีอย่างนั้นความงามความดีที่เราเอามาใส่ไว้ในใจนั่นแหละจะช่วยรักษาใจให้ปกติจะช่วยคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายภายในและอันตรายภายนอกอันตรายภายในก็คือความคิดผิดนั่นเองความคิดผิดเป็นอันตรายภายใน แล้วมันก็ไปเสหาอันตรายภายนอกเช่นไปคบคนผิดไปสู่สถานที่ผิดไปทำอะไรผิดๆแล้วก็เกิดเป็นปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจนั่นก็เพราะว่าเราไม่มีคุณธรรมเป็นหลักกรองใจแต่ถ้าเรามีคุณธรรมเป็นหลักกรองใจอยู่สิ่งนั้นก็จะไม่ทำร้ายเราเพราะเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไร ก็คิดเป็นธรรมะพูดเป็นธรรมะเข้าสมาคมกับใครก็ใช้ธรรมะเป็นหลักในการเข้าป h าสมาคมเราจะไปไหนเราก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องพิจารณาว่าไปไหนไปทำไมไปเพื่ออะไรไปแล้วเราจะได้อะไรสิ่งที่ได้จากการไปสถานที่นั้นคืออะไรเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรือเป็นอนกุศล ทำให้เราร้อนหรือทำให้เราเย็นทำให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หให้วุ่นวายหรือให้สงบรเราก็พิจารณาถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าอ้ไม่ได้เรื่องอะไรไปแล้วก็สร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดดร้อนแก่ชีวิตของเราเปล่าๆ เ, เราก็บังคับตัวเองควบคุมตัวเองไม่ให้กระตไปที่นั่นไม่ให้กระทาสิ่งนั้นไม่ให้พูดสิ่งนั้น เราก็ปลอดภัยความปลอดภัยมันเกิดขึ้นก็เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วตัวธรรมะที่เราเอามาปฏิบัตินันแหละจะคุ้มครองเรารักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงอย่างนี้เป็นการถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์มีเดชสักติอย่างนี้เรียกว่าคิดไม่ถูกต้อง สิ่งนั้นไม่สามารถจะช่วยเราได้เราจะต้องเข้าถึงเนื้อแท้ของสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงจะอยู่กับเราและช่วยเราให้อยู่รอดปลอดภัยไม่เกิดความเสียหายนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและถ้าเราเข้าใจเรื่องสำคัญอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปลงทุนซื้อหาวัตถุที่เขาทำขึ้นด้วยราคาแพง เพราะไม่ต้องแข่งก็ได้ไม่ต้องของคนนั่นคนนี่ก็ได้แต่ว่าเป็นภาพเตือนจิตสกิดใจให้เราได้คิดได้นึกในทางที่ถูกที่ชอบเช่นรูปพระพุทธรูปก็ไม่ต้องเอาว่าต้องสมัยนั่นต้องสมัยนี้ต้องทำโดยผู้นั่นโดยผู้นี่ต้องมีการตุกเสกอย่างนั่นอย่างนี้อันนั่นเป็นเรื่องสมมติทางนั้นไม่ใช่เรื่องแท้ แต่เรื่องเตะแท้จริงเมื่อปั้นเป็นรูปแทนพระสูกต้องก็เป็นอนใช่ได้ไม่ต้องปลุกไม่ต้องเสกอะไรเราเอามาไหว้เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจให้ได้คิดถึงข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็สิ่งนั้นก็จะช่วยคุ้มครองเราอย่างถูกต้องรอดปลอดภัยรวมความว่าความปลอดภัยจึงอยู่ที่ความเข้าใจธรรมะถูกต้อง และอยู่ที่การปฏิบัติทำถูกต้องถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ปฏิบัติไม่ถูกเมื่อปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่ปลอดภัยยังมีพิษมีภัยอยู่ในตัวเราแล้วอาจจะดึงดูดพิษภัยมาจากผู้อื่นสิ่งอื่นต่อไปเพราะเรามีเครื่องลออที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเป็นผู้มีธรรมะเป็นหลักครองใจเราเรียกว่ามีเครื่องล่อที่ถูกต้อง สิ่งถูกต้องก็จะไหลมาหาเราเกิดเจริญงอกงามขึ้นในตัวเราเป็นเกราะป้องกันตัวเราให้พ้นจากภัยอันตรายไม่มีปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจความกลัวต่างๆก็จะหายไปจากใจของเราด้วยความคิดที่ถูกต้องอย่างนี้นะจึงขอญาตโยมได้เข้าใจความหมายของสิ่งที่เรามีเราใช้ ให้มันเป็นความถูกต้องโดยความเป็นธรรมความเป็นธรรมนั้นมันอยู่ที่ธรรมะอย่างเดียวในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระธรรมธรรมะมันมีทั่วไปในัมพีตุกจากทุกคมพีกัมพีของใครใครก็เรียกว่าเป็นธรรมะท้งนั้นแต่ก็ไปตั้งชื่อให้มันแปลกว่าเป็นธรรมะผู้นั้นเป็นธรรมะผู้นี้แล้วทาให้คน้าไปยึดไปติด เป็นเหตุได้เกิดแยกเขาแยกเรามีตัวเขามีตัวเราเกิดความแตกแยกแตกเล่าเป็นพักเป็นพวกแล้วก็ทำการทะเลาะบ่อแว่งกันดังปรากฏเป็นข่าวอยู่ในลูกนี้บ่อยๆว่ามีการแตกแยกกันรบกันที่รบกันอยู่แถวตะวันโตกลางไม่รู้จักจบจักชิ้นนั่นก็ไม่ใช่เรื่องอะไร เรื่องของศาสนาที่คนนับถือพวกหนึ่งนับถือมุสลิมพวกหนึ่งนับถือคริสเตียนแล้วก็แบ่งเป็นสงพักสองฝ่ายไม่เข้าหากันไม่ลงรอยกันฆ่ากันตายไปหลายหลายพันแล้วเป็นหมื่นคนแล้วและยังฆ่ากันอยู่ต่อไปการที่เป็นเช่นนั้นเรียกว่าเป็นการไม่ถูกต้องคนเหล่านั้นไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนา ที่ตัวนับถือมุสลิมก็ไม่เข้าถึงธรรมะของมุสลิมคริสเตียนก็ไม่เข้าถึงธรรมะของคริสเตียนไปยึดเอาแต่เปลือกนอกเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเถียงกันเรื่องเปลือกทะเลาะ ก, กันเรื่องเปลือกแต่ไม่เข้าถึงแก่นแทแ้ความจริงเมื่อเข้าถึงตัวธรรมะแล้วเหมือนกันหมดธรรมะไม่ได้แตกต่างอะไรกัน เพราะว่าตัวธรรมะนั้นไม่มีสีมีสันไม่มีอะไรตัางนั้นเป็นแต่ข้อปฏิบัติซึ่งเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้เราเจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรมไม่มีอะไรเป็นเครื่องแตกแยกแตกเล่าแต่ว่าคนไม่ค่อยถึงที่ไม่ถึงก็เพราะว่าผู้นำในทางศาสนาคือว่าอาจารย์นั่นแหละ เป็นคนสอนคนให้เกิดความหลงไหลเข้าใจผิดให้ถือเขาให้ถือเราให้เกิดการแตกแยกแตกรล้ากันในหมูค่คนอันนี้ก็เรียกว่าสอนไม่ถูกต้องเป็นการสอนผิดจากหลักความจริงไปจึงทำให้เกิดปัญหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นไม่สอนคนให้แตกแยกไม่ให้คนแบ่งพักแบ่งพวก แต่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังปรากฏอยู่ในพระ ส, รสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าอุบาลีอ่ออุบาลีวาโอวาทสูตรสูตรนี้เกี่ยวกับคนชื่ออุบา ล, บา ล, บาลีไม่ใช่พระอุบาลีแต่เป็นคลุหัดชื่ออุบาลีคลุหัดบอดีเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนั่นเหมือนกันแต่ว่าท่านปุณิยนับถือาศาสนาไฉนะ ศาสนาไชยณะนี่เป็นของท่านมหาวีระท่านมหาวีระนี่ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันเหมือนกับเจ้าชาชิตทัตตาซึ่งเป็นกษัตริย์แล้วออกไปบวชเป็นการแหวกแนวเพราะว่าคนที่สอนธรรมะสอนวิชาการต่างๆนี่มักจะเป็นพวกพรามพรามเขารับเหมาเอาหมดในเรื่องอย่างนั้นผู้สอนก็ต้องเป็นพรามแต่ว่าเจ้าชาชิทัตถาก็ดี มหาวีระก็ดีท่านเป็นเชื่อกษัตริย์เจ้าชาสิทธัตถะเป็นพวกศากยวุ่นส่วนมหาวีระนั้นเป็นพวกกษัตริย์อยู่ในเมืองอถึงเรียกในสมัยนี้ว่าเมืองปาวาอยู่ใกล้กรุงราชฤกษ์เหมือนกันท่านพูทนี้เกิดเติบโตขึ้นก็มีความคิดในทางศาสนาที่ไปในรูปเปลี่ยนแปลง รูปเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนของเดิมเพราะเห็นว่าควรจะพัฒนามีความคิดเหมือนกับพ ร, ระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เที่ยวสอนศาสนาอยู่ในเท้าเดียวกันรุ่นเดียวกันอ่อนกว่าพระพุทธเจ้าแปดปีแต่นั่นเองสิ่งออกบวชแล้วเที่ยวสอนก็มีลูกศิษย์เยอะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีลูกศิษย์อยู่มากในประเทศอินเดียโดยมากเป็นพวกปอก้า ในเมืองใหญ่ๆมีมากคนเหล่านี้เคร่งาศาสนาไม่สูบบุหรีไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพนันทำมาหากินเป็นอยู่อย่างประหยัดอดโทมก็เป็นหลักธรรมที่ดีอยู่เหมือนกันนี่นักบวชของาศาสนานี้เป็นพวกมีสองพวกพวกหนึ่งนั่นนุ่งผ้าขาวแต่พวกหนึ่งนั่นก็เรียกว่านุ่งลมหมฟ้า คือไม่นุ่งผ้าเลยไปไหนก็หลอดจอนไปอย่างนั้นแหละไม่ภาชนะก็ไม่มีบาตรสำหรับใส่อาหารก็ไม่มีเวลาไปบิณฑบาตก็เอามือรับจากชาวบ้านรับแล้วก็มากินกินตรงนั้นไม่นั่งยืนกินอยู่ตรงหน้า ก, นกินจนอิ่มเวลากินก็น้ำแกงไหลไปตามขอดศอกเปื่อนไปถึงแข่งถึงขาไม่เป็นไรไม่สนใจเรื่องภายนอก แล้วก็ฉันอิ่มแล้วชาวบ้านต่อหน้ า, มมาใม้ล่างมือแล้วหน้า ม, มาล่างน้าเกงที่แปดเปื่อนด้วยแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ไปอยู่ในป่าไม่ค่อยไปไหนอยู่แต่ในป่าเงียบเงียบปฏิบัติทางด้านจิตใจอุบาลีกฤหบดีในสมัยนั้นมีความเลื่อมใสพวกนี้เาเรียกว่าพวกนิครนมีความเลื่อมใสมากปฏิบัติบารุงอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่แสดงธรรมไปเพราะในเมืองต้นท่ากลางที่สุดก็อยากจะไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยากจะไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นคนเรียบร้อยเคารพในครูบาอาจารย์ที่ตนนับถือจึงไปลาไปลาครูอาจารย์ว่าจะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้า แต่ว่าครูอาจารย์บอกว่าจะไปทำไมพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนเหมือนที่เราสอนนี่แหละไม่ต้องไปก็ได้ห้ามไม่ให้ไปครั้งที่สองอยากจะไปฟังอีก <c oughs> ก็ไปลาอาจารย์ก็ห้ามไม่ให้ไปพอครั้งที่สามไม่นึกในใจว่าเราไปลาแล้วก็ไม่ได้ไปอาจารย์ห้ามทุกทีไม่ต้องลาแล้วไปเลยอ่เลยก็ไปไม่ต้องลาอาจารย์ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมฟังธรรมนี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าพูดผู้ดเดียวพระพเจ้าถามตอบถามตอบในประสูนย์ทางคำภีรพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคนที่แหลกมาฟังธรรมเนี่ยมักจะใช้วิธีถามตอบแล้วเขาบันทึกไว้เรียบร้อยว่าถามอย่างไงตอบอย่างไรถามกันไปถามกันมาจนเข้าใจแกมแจงแ ด้วยปัญหาทั้งหลายแล้วก็มีความปลื้มใจอยากจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเกิด อ, อยากจะแสดงตนเป็นพุทธมามะกะแต่ว่าพระผู้เมตพระภาคบอกว่าคาริหะบดีท่านเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงในเมืองสาวัตถีคนหนึ่งใครๆก็รู้จักท่านแล้วก็ท่านเคยเป็นศิษย์ของพวกนิกครณมาโคน แล้วท่านจะทิ้งมานับถือเรานั้นคนทั้งหลายจะนินทาว่าร้ายว่าเป็นคนใจง่ายใจเบาเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนครูเปลี่ยนอาจารย์ได้ง่ายอย่าเลยไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกอันนี้น่าฟังคือพระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่ปรารถนาลูกทิศใครมาแสดงก็บอกว่าคิดแต่ดีก่อนคิดได้รอบขอบับ อุบาลีกฤหาบดีได้ความเช่นนั้นก็ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นกราบโทษว่าถ้าพระองค์เนี่ถ้าจะไปสํานักใดนี่เขาต้องยกธ ง, งต้อนรับตั้งแต่ต้นถาดแสดงความยินดีปรีดาว่าอุบาลีคฤหาบดีมาสํานักของเราเขาต้อนรับกันเปการใหญ่แต่ว่าถ้าพระองค์มาสํานักพระพุทธองค์นี่ไม่มีอะไร ไม่มีการตื่นเต้นใหม่มีการต้อนรับด้วยวิธีการใดๆทั้งนั้นมาเฉยๆมานั่งฟังธรรมเท่านั้นเองแล้วว่ามีความเลื่อมใสยอยากจะเป็นลูกศิษย์พระองค์ก็ยังห้ามอีกการการการเป็นเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นเพราะพระองค์ไม่เหมือนครูอาจารย์ทั้งหลายที่สอนอยู่ในประเทศนี้เขาอยากได้ศิษย์ อยากได้ลูกสิทธิ์ร่ำรวยอยากได้คนเก่งๆแต่ เ, เป็นสมัยนี้ก็อยากให้รัฐมนตรีมาเป็นลูกสิทธิ์อยากให้นายกมาเป็นลูกสิทธิ์เยอะอยากให้เจ้าแก่ใหญ่มาเป็นลูกสิทธิ์ตายรูปคู่กันแล้วเอาไปติดขวาไว้อวดใครต่อใครว่านี่นะฉันไม่ใจย่อยนะและเจ้าพระองค์เจ้านั้นก็มาหา คนนั่นก็มาหาเอาไปติดไว้ในห้องรับแขกใครไปใครมาก็จะได้เห็นโอ้อาจารย์นี่ไม่ใช่ย่อยนะคนนั่นมาเป็นลูกศิษย์คนนี้มาเป็นลูกศิษย์โกษณาโกษณามากๆนีม่มันก็ยุ่งเหมือนกันที่ทีก็พระพุทธเจ้าไม่ไม่ทบเฉยๆแล้วห้าเขาจึงประกาศว่ายิ่งมีความเลื่อมใสมากขึ้นข้าพระองค์ต้องแสดงตน เป็นพุทธมามากะเลยแสดงพอแสดงตนเป็นพุทธมามากะแล้วพระพุทธเจ้าเตือนอย่างไรน่าฟังตรงนี้น่าฟังเป็นประโยชน์มากพระองค์บอกว่าคาริฮาร์บดีสมัยหนึ่งท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของพวกนิชนบ้านของท่านเปิดสำหรับคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา เขาได้มารับอาหารจากบ้านท่า น, นท่านทําการต้อนรับอย่างดีเมื่อท่านมาเป็นลูกศิษย์เราแล้วประตูบ้านอย่าปิดคนพระนักบวชเหล่านั้นจะมาที่บ้านของท่านให้ท่านต้อนรับเหมือนเดิมเคยเลี้ยงเคยดูอย่างไรให้ทําอย่างนั้นอย่ารังเกียดเดียดฉันในครูอาจารย์เก่าๆให้ต้อนรับขับสู้อย่างเดิม โอบาลีก็ปลื้มปลื้มใจมากในการจัดของพระพุทธเจ้าลุกขึ้นแสดงความเคารพกลับบานพวกนิครนทั้งหลายมาที่บานก็ต้อนรับอย่างนี้ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจเดียดฉันอะไรแล้วขอพูดธรรมะให้ฟังก็ฟังด้วยความเคารพไม่รังเกียจอันนี้เป็นหลักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้คนแตกแยกแตกเล้าไม่ต้องการลูกศิษย์ไม่ต้องการให้ใครมาประกาศตนแล้วโฆษณาซึ่งผิดกับในสมัยนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์มักจะหวงเห็นลูกศิษย์มาวัดนี้แล้วไม่อยากให้ไปวัดไหนหนังสือของสำนักอื่นก็ไม่อยากให้อ่าน ให้อ่านแต่ของสำนักเดียวสำนักอื่นอ่านไม่ได้ไม่ให้ไปหามาสูงแบบนี้มีอยู่ในสมัยหนึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยโยมชื่นสิรูรด เ, เดี๋ยวนี้อายุเก้าสิบแปดแล้วยังแข็งแรงทำมาไปเยี่ยมแล้ววันชื่นเป็นผู้อุปถัมภุทธนิคุมก่อนนี้มีพระมาอยู่โกนพระมาอยู่พระทุดงท่านก็นเลื่อมใส ให้การต้อนรับกับสู้เลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็พระมีหนังสือพุทธศาสนาของไชยามาด้วยโยมแกก็ได้อ่านอ่านแล้วก็เลื่อมใสในกิจการของท่านพุทธทาสก็เลยคิดว่าจะต้องไปเยี่ยมเยียนไปศึกษาก็ไปกราบลาอาจารย์เหล่านั้นอาจารย์เหล่านั้นก็ห้ามไม่ให้ไปบอกว่าโยมจะไปทำไมมันไกล อาตมาพวกอาตมามาอยู่ใกล้แล้วโยมจะเอาอะไรก็ได้ท่านพุทธทาสก็ไม่ได้สอนอะไรไปจากต่างไปจากที่อาตมาสอนหรอกนะห้ามแม่ไปแต่ว่าโยมอยากจะไปแต่ชั้นแรกไม่ไปเองส่งลูกชายกับลูกเขยให้ไปเยี่ยมท่านเจ้องให้ไปดูว่าท่านอยู่อย่างไรสอนอะไรลูกชายกับลูกเขยเข้าไป ไปอยู่สองสามวันแล้วกลับมาเล่าให้ฟังโยมก็ยิ่งอยากไปมากขึ้นเลยก็ไปลาอาจารย์เหล่านั้นอาจารย์เหล่านั้นก็เห็นว่าห้ามไม่ไหวแนละ้วเพราะอยากจะไปมากแต่ว่าทรงพระอาจารย์องค์หนึ่งคุมไปด้วยคุมโยมไปด้วยเป็นพีเลี่ยงไปไปด้วยโยมก็ไปมาไปแล้วกลับมา พอกลับมาพระองค์ที่เป็นพี่เลี้ยงไปนะ่ะไปเที่ยวผู้ตามบ้านญาติโยมเทียงใหม่บอกว่าท่านพุทธทาสไม่มีอะไรรักขุดบ่อล่อปลาเท่านั้นเองขุดบ่อล่อปลาโยมฟังเข้าใจขุดบ่อล่อปลาแปลว่าพวกจับปลานในหนองนี่มีปลาก็ไปขุดบ่อข้างหนองขุดบ่อแล้วก็ทำทางให้ปลาเดิน การีทางที่จะปลาเดินนั่นต้องทําให้น้ําไหลน้ำไหลไปพอน้ําไหลไปปลาก็เห็นเอ้ยนี่น้ําใหม่ฮะถ้าจะมีหนองใหม่ๆเราขึ้นไปตามทางนี้ปลาก็ไต่ไปตามเส้นทางที่น้ําไหลไปไปก็ตกบ่อในบ่อ น, นั่นมาขุดไว้ลึกปลาขึ้นไม่ได้เอ้ยเลยปลาตกบ่อมาปลาตกบอก็คนก็มาจับปลานั่นไปเกงไปต้มยำกินกนันนี่ก็เรียกว่าขุดบ่อรอบปลา อันนี้พระอาจารย์พอกนั่นก็ไปคุยกับญาติโยมบานเชียงใหม่เต่าเต่าทุกบ้านที่คุ้นเคยว่าท่านพุทธทาสไม่มีอะไรร้วขุดบ่อล่อบลาอะไรนันอีกหมายความว่าตั้งสำนักเพื่อเพื่อลาบเพื่อผลเพื่อต้องการดึงคนให้ไปหาซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยตามพุทธทาสท่านไม่ได้คูดสนาตัวท่าน ไม่ได้โฆษณางานของท่านให้คนรู้คนอื่นคนโฆษณาก็คือหลวงพ่อนี่คนที่ได้รู้จักสวนมุกได้ไปหาท่าพุทธาในพราะหลวงพ่อเป็นผู้โฆษณาทางวิทยุตางโทรทัศน์ที่ไหนก็พูดเรืบ่อยคนก็อยากไปศึกษาอยากไปเยี่ยมไปเยียนท่านเจ้าคุณเองท่านเฉยๆแตไมสนใจ ไม่โฆษนาแม่คนไปหาแล้วท่านต่อไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดแต่ธรรมะให้ฟัง <c oughs> ไม่ได้สนใจเรื่องอะไรท่านทําอะไรสร้างอะไรอยู่ใครไปก็ไม่ได้เรียกอะไรไม่ได้บอกว่านี่โยมกำลังสร้างอยยังไม่เสร็จเพราะเงินมันยังไม่พอไม่มีไม่เคยพูดคำช่น คนไปเห็นเองเขาทำบุญเองจต่ด้นั้นเองที่ที่พูดเ่ออะไรบ้างอก็อาตามาพูด่า้ทางวิทยุทางโทรทัศน์บอกว่าวัดต้องการจะซื้อที่ดินสร้างสำนักปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวทางประเทศซึ่งต้องใช้เงินหลายล้านอยู่ก็เลยโยมก็ไปมาทำบุญที่นี่ส่งไปถวายท่านได้ซื้อได้จัดได้สร้างเหียมร้อยท่านไม่ไม่พูด ทำบนญอายุแปดสิบปีก็ไปขออนุญาตบอกว่าจะประกาศหน่อยคนมาทำบุญที่ตรงนั้นตรงนี้บอกไม่ได้ปิดหลักการส่วนมวกไม่เคยประกาศเรื่องเทอาเรียไรไม่ไม่ได้เรี่ยไรประกาศให้รู้ว่าจะทำบุญที่ตรงไหนจะบอกนั้นและเรี่ยไรอยู่แล้วเรี่ยไรอยู่แล้วไม่ไม่ต้องพูดใครอยากจะทำบุญก็หาเอาเอง ไม่พูดตลอดงานไม่ได้พูดเลยก่อนเขาไปเขาก็เขาอยากจะทำเขาก็เที่ยวตามทาบุตรงไห น, นก็บอกว่าคนเขาบอกว่าไปด้วยทำบุแล้วก็ได้แจกหนังสือไปคนละหอ่อคนละหอ่อทำบุญมากคมใหญ่หนังสือกองใหญ่ยู่กันไม่ไหวเป็นอย่างนั้นไม่มีการโฆษณาตัวทันเองจึงไม่มีใครสนใจเรื่องเลยสนใจแต่เรื่องธรรมะเป็นอย่างนั้น อันนี้บางแห่งนั่นชอบพูดสนาเรื่องอะไรต่างๆมันก็เกิดปัญหาบางเรื่องเหมือนกันเพราะการพูดศาสนาจึงไม่ก่อยแยกดีนะแต่ว่าการโฆษณาในถ้าพอเหมาะพอดีก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายพระพุทธเจ้าไม่สอนให้คนแตกแยกแตกรล่าแต่สอนให้เกิดความรักความสามัคคี เวลาออกไปบินฑบาทตอนเช้าถ้าผ่านสำนักของอาจารย์อื่นเราเรียกว่าอัญญะเดียรตีเดียรตีเนี่ยแปลว่าท่าท่าน้ําอัญญะเดียรตีไม่ถึงท่าอื่นมันมีหลายท่าท่าบางและท่าสาทรท่าวัดระคังท่าท่าช่างอะไรอะไรมาหลายท่าครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นท่าท่าเรียกว่าเดียรตี เป็นคำกลางแต่ถ้าพูดว่าอัญญะเดร ถ, ถีก็หมายความอัตถ่าอื่นพระองค์ก็ไปพบสัสำ น, น, นกในก็แวะก็ไปคุยกันคุยธรรมะ ก, กันคุยกันบางทีก็ลงรอยกันได้แต่บางทีคุยกันไม่ลงรอยกันถ้าไม่ลงรอยพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรแต่พูดว่าท่านมีความคิดอย่างเห็นอย่างนี้มาชนานแล้วพูดจากนั้นแล้วไป ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันแล้วก็ไม่ได้แย่งบริษัทกันไม่ได้แย่งลาบผลสังการะอะไรกันอยู่กันด้วยความเรียบร้อยอันนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องเราควรจะอยู่กันอย่างนั้นไม่เป็นศัตรูกับใครไม่เป็นปฏิปักษ์คนละปีกกับใครแต่เราถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกสำนักเป็นสำนักเผยแผ่ธรรมะ วิธีการอาจจะผิดกันบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าจุดหมายคือต้องการให้คนเข้าถึงธรรมะให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สอนไปตามลำดับแต่อย่าสอนให้คนถือยึดถือจนกระทั่งถือเขาถือเราแล้วก็เกิดความรู้สึกแตกต่างกันระหวา่างนี่กายระหว่างสำนักอะไรอย่างนั้น เป็นการสอนที่ไม่ถูกต้องเรื่องนิกายนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่เราสอนให้คนยึดถือแล้วก็ไม่ถูกต้องมันกลายเป็นสร้างกำแพงกัน้นไม่ให้คนเข้าถึงกันพระพุทธเจ้าไม่ให้สร้างกำแพงแต่ให้เลื่อขวาให้เลื่อกำแพงออกจากกันให้คนทุกคนได้เห็นกันได้ยิ้มกันได้เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง เป็นพขาเรียกว่าเป็นสหธรรมิกหมายความว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมร่วมกันขูดเก่าเหมือนกันเพื่อลดพ้นจากความทุกข์ความเดอดร้อนร่วมกันเราไม่ถืออย่างนั้นไม่ถือเขาถือเราถือพักถือพวกถือนิกายนั่นถือน้กายนี้ถืออาจารย์นั่นถืออาจารย์นี้แล้วยกอาจารย์ไปเจี่ยวกลมอาจารย์อื่นมันก็ไม่ถูกต้อง การยกตนก่มท่านก็เป็นกิเลสการอวดก็เป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเราทําแต่สิ่งที่เป็นธรรมะเป็นเครื่องปลูกเราจิตใจให้สะอาดสว่างสงบยิ่งขึ้นไปอย่างจะเป็นการใช้ได้อันนี้ขอญาติโยมเข้าใจไว้นี้ตอนทใายนี้ก็จะประกาศเ่าให้ทราบนิดหน่อยพระธรรมทยายที่มาอบรมอยู่ที่นี่ ทุกวันอาทิตย์จะเห็นพระนั่งเต็มลานไปแต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าพระเราที่ได้เดินทางไปหนองคายเพื่อไปปฏิบัติงานที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่จังหวัดหนองคายอาตมาไม่ได้ไปท่านเจ้าคุณเมธีวราพรไปแทนเขาตอนรับกับสู้แข็งแรงคือว่าผู้ว่าการจังหวัดจะท่านเจ้าคณะจังหวัด มารับที่สถานีรถไฟรับแล้วก็เดินไปเดินไปจนถึงวัดโพชัยพระผู้ว่ากับท่านแยกคณะจังหวัดเดินนําไปเลยเดิ น, นําพระเดินตามเป็นแถวพาไปพักที่วัดโพชัยแล้วก็ให้ชาวบ้านมาใส่บาตรพระได้กบได้ฉันแล้วก็ยังพาพระไปเที่ยวชมบ้านชมเมือง เกี่ยกว่าจะออกเดินทางไปตามอำเภอเวลาที่ออกแล้วออกเดินทางไปอำเภอต่างๆเพื่อสอนประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆครบหนึ่งเดือนก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านต่อไปอันนี้เป็นข่าวให้โยมได้สบายใจว่าเราได้เลี้ยงพระไว้ชุดหนึ่งแล้วพระชุดนั้นก็ได้ออกไปทํางานแล้วได้ความรู้ได้ความเข้าใจ นำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ที่วัดของตัวต่อไปนี่เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าวัดปัญญาณันตารามที่ได้ชื่อที่ไหว้ชื่อไหว้เป็นที่สิบแปดไร่คือเขาให้หกไร่แล้วก็ซื้อเพิ่มกาไปสิบสองไร่ว่าวันที่สิบแปดนี้มีคนมาตวายหวเพิ่มแต่ไม่ได้ตะอไหวทั้งหมดขอสี่ล้าน มาค่อยรับเลยไปโอนโฉนดกันเรียบร้อยแล้วเป็นเงินสี่ล้านบาทรวมค่าธทมเนียมด้วยก็เป็นสี่ล้านเก้าหมืจะเก้าหมื่นเจ็ดสบเก้าบาทนะเป็นค่าทำเนียมย เ, เยมพราะผู้ที่โอนให้บอกว่าดีฉันไม่เสียอะไรทั้งหมดขอเพียงสี่ล้านเท่านั้นค่าธทำเนียมค่าอะไรก็ ล่องพ่อจะต้องจ่ายเองอ modifier, อบอกไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, มีขอม้อแม้จังเพราะว่าเขาถวายเพิ่มเป็นเป็นแไร่เป็น8ไร่ทั้งหมดให้ให้เป ล, าลา่าหไร่แล้วก็เหลือนั้นคิดเป็นราคาสี่ล้านบาท <c oughs> ก็คือ่ล้านบาททั้งหมดก็แล้วกันก็ไลยจัดการโอนให้เป็นการเรียบร้อยเวลานี้จึงได้เนื้อที่ทั้งหมด25้าไร่กว่าได้ไปดูเขตตัวอะไรไว้เรียบร้อย แล้วก็จะจัดทําการสร้างกันต่อไปเวลานี้กําลังออกแบบทั้งบริเวณว่าควรจะทําอย่างไรบ้างควรจะวั่นวาเป็นป่าไอ้ที่ที่ได้รับมานี่เป็นสวนอยู่บริเวณก็จะทิ้งให้เป็นสวนอยู่อย่างนั้นไม่ทําลายต้นไม้แต่ว่าแผ้วทางให้สะอ า, าดให้เรียบร้อยเท่านั้นเองอันนี้บอกให้อยากโยู่ตั้งหลายได้รับทราบ จะได้มีความชื่นใจในกิจกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมต่อนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5้านาทีเป็นสำรวมจิตแปรเมตตา สเพสตาฮาเวรเวเวาอพยาปั ช, ชาอะ น, นีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น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 จงมีความสุกกายสุขใ จ, จ, ใ จ, ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสินนนงส้นเถิดขอขอบใจญาติโยมทุกคนที่มาช่วยกันรักษาพระศาสนาปาถกถาธรรมของท่านปัญญาณันทภิกขุในชุดนี้ได้จัดทำขึ้นด้วยความปราณีตสมบูรณ์แบบ ซึ่งขอรับประกันคุณภาพเสียงตลอดระยะเวลาแห่งการใช้งานท่านที่ประสงค์จะเผยแพร่เป็นธรรมทานโปรติตอที่ธรรมสภาเลขที่35ทับสอจลันสนิทวง62บางพลัดกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์4343566และ4โทร40375ห